ทุ่มุกะเคปวัหมวดว่าด้วยการวางดอกประทุมถวายเป็นต้นหนึ่งอากาสุกะขิปิยะเทระประธานประวัติในดิตชาติของพระอากาสุกะขิปิยะเทระพระอากาสุกระคิพิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเขาพระเจ้าถือดอกบัวสองดอกเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธะ ผู้มีพระชวีวันดังทองคำผู้องอาจขวานรชนกำลังเสด็จไประหว่างร้านตลาดเขาพระเจ้าวางดอกบัวดอกหนึ่งไว้แท่พระบาทของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดอีกดอกหนึ่งเขาพระเจ้าหยิบโยนขึ้นไปในอากาศในกลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายดอกไม้ เนื้อกลับที่สามสิบสองนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิองค์หนึ่งพระนามว่าอันตลิส ข, ขะกรเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้เพอปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิน ญ, ญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่า ท่านพระอากาสุกกะคิปิยะเทระได้พาสิกขาาเหล่านี้ด้วยประการศนี้อากาสุกกะคิปิยะเทราประธานที่หนึ่งจบสองเตละมัคิยะเทราประธานประวัติในดิจฉ่าของพระเตละมัคิยาเทระพระเตลมัคิยะเทร ะ, ระเะมะืเม่อจะประกาศประวัติในดิชาติของตนจึงกล่าวว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิท ธ, ธะผู้องอาจกวานรชนสเสด็จดับคันทัปริญพาแล้วครั้งนั้นข้าพเจ้าใช้น้ำมันทาที่แทนภัยทีแห่งต้นโพเนี่ยกลับที่ก4าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทานน้ำมันไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการทานน้ำมันเนี่ยกับที่ยี่สิบสี่นับจากกลับนี้ไป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 ได้ภาสัจคถาเหล่านี้ด้วยประการาชนิเตละมัคคิยาเถราประธานที่สองจบสอัฏฐจันติยะเทราประธานประวัติในดิตชาตของพระอัฏฐจันติยะเทระพระอัฏฐจันติยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าเขาพระแจได้ถวายอัฏฐจันไว้ที่ต้นโพอันประเสริฐ ของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าติสสะในกลับที่9กบสองนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้บูชาด้วยอัตจจันทร์ไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาต้นโพในกลับที่ยี่สิห้านับจากกลับนี้ไปได้เป็นประศัตรผู้จั ก, กรพัฒพระนามว่าเทวละสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมาก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 ทีปะทายกะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระทีปะทายกะเทระพระทีปทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นเทพปบุตรลงมายังแผ่นดินมีใจเลื่อมใสได้ถวายประทีปห้าดวงด้วยมือทั้งสองของตนในกลับที่เก้าสบสี่นับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้ถวายพระที่ไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี่เป็นผลแห่งการถวายพระที่ในกลับที่ห้าสิบห้านับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรพรดิองค์หนึ่งมีนามว่าสมันตจักรสุเป็นใยในแผ่นดินมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระทีปทายกะเถระได้พาสิทธาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ทีปทายกะเถราประทานที่สี่จบหวิลาลิทายกเถราประทานประวัติในดิตชาติของพระวิลาลิทยกเถระพระวิลาลิทยกะเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิจิติของตนจึงกล่าวว่าในที่ไม่ไกลภูเขาหิมพานมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อโรมะสะพระผู้มีประภาคผู้สงบผู้อบรมอินทรีย์แล้วประทับอยู่ที่เชิงภูเขานั้นเขาพระเจ้าได้ถือมันมือเสือไปถวายแด่พระสมณะพระผู้มีประภาคทรงมีความเพียรมากทรงเป็นพระสยามภูผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้ ตรัสอนุโมทนาว่าท่านมีใจผ่องใสถวายมันมือเสือแก่เราผลจะบังเกิดแก่ท่านในภพที่ท่านเกิดในกลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปพระพเจ้าได้ถวายมันมือเสือไว้จึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายมันมือเสือคุณวิเศษเหล่านี้เพอปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิญญาหก พระพเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพเจ้าก็ได้ทาสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระวิลาลิทายกเถระได้พาสิกคถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้วิลาลิทายกเถราประธานที่ห้าจบ6มัจฉทายกเถราประธานประวัติในดิชาติของพระมัจฉทายกเถระ พระมัจฉาทยายกกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในเดตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นนกออกอาศัยอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำจันทภาคาข้าพเจ้าได้ฆ่าปลาตัวใหญ่มาถวายแต่พระมุนีพระนามว่าสิท ธ, ธะในกับที่94นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายปลาไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลย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 เจ็ดเวะหังสกะเท ร, ประปทานประวัติในดิตชาตของพระชะวะหังสกะเทระพระชะวะหังสกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นพรานป่าอาศัยอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำจันทภาคาข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะเสด็จเหาะไปในอากาศ ข้าพเจ้าประคองอัญเชลีแลโดพระมหามุนีอยู่ทำจิตของตนให้เลื่อมใสแล้วได้ถวายอภิวาทพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกในกับที่เก้าสบสี่นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายอภิวาทพระผู้องค์อา่ัคราชนจึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายอภิวาทคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมโกข์แปด และอภิญญาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระชวะหังสกะเถระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการชนี้เวะหังสกะเถราประธานที่เจ็ดจบ 8. ปลากปุกพิยะเถราประธาน ประวัติในดิตชาติของพระชะละปุพยเทระพระชะละปุพยเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตฉาตของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นกินนอนอาศัยอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำจันทภาคาได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้รุ่งเรืองผ่องใสด้วยพระรัศมีข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีและมีปิติอย่างยิ่ง จึงถือดอกช้างเนามาโปรโยลงบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีนี่กลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทาสีวิโมกแปดและอภิญยาหกเขาพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พระพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระสะละปุพยเทระได้พาสิกขาฐานเหล่านี้ด้วยประการศนี้สะละปุพยเทราประทานที่แปดจบเกอุปาคตะหาชนิยะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระอุปาคตะหาชนิยะเทระพระอุปาคตะหาชนิยะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในเดตชาตของตนจึงกล่าวว่ามีสระที่สร้างอย่างดีอยู่ท่ามกลางภูเขาหิมพานข้าพเจ้าเป็นผีเสื้อน้ำมีนิสัยชอบอยู่ใต้น้ำน่ากลัวอาศัยอยู่ในสระนั้นพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีผู้ทรงอนุเคราะห์ประกอบด้วยพระกรุณาเป็นผู้นำสัตว์โลกพระองค์ประสงค์จะช่วยเหลือข้าพเจ้าจึงเสด็จมาในสานักของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้มีความเพียรมากผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพองค์อาจกว่านรชนเสด็จมาใกล้จึงออกจากที่อยู่อาศัยแล้วได้ไหว้พระศาสดาในกลับที่เก้าสบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ไหว้พระศาสดาผู้สูงสุดแห่งมนุษยชาติจึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการไหว้คุณวิเศษเหล่านี้เคปฏิสัมพิทาสี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 ประวัติในดิตชาติของพระตรานิยะเทระพระตรานิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้มีพระชวีวันดังทองคําทรงเป็นผู้นํามีหมู่ภิกษุแวดล้อมประทับยืนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ําเรือสําหรับข้ามในห่วงมหันนบนั้นไม่มีข้าพเจ้าจึงขึ้นจากแม่น้ํา พาพระศาสดาผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทรงข้ามในกับที่เก้าสิบอ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาพเจ้าพาพระศาสดาผู้สูงสุดกว่านรชนทรงข้ามจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการพาทรงข้ามคุณวิเศษเหล่านี้เคอปฏิตสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภินยาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระตรัญยะเทระได้พาสุคขาเหล่านี้ด้วยประการศนี้ตรัญยะเทราประทานที่สิบจบปทุมุกกะเขปวัคที่ยีสิบจ็บบริบูรณ์ร่วมประธานที่มีในวัคนี้คือหนึ่งอากาสุกกะคิปิยะเทราประทาน สเตละมัคคิยาเถร า, ป, า, ร า, ป, าประทานสอัฏฐจันทิยเถราประทานสี่ทีปะทยกะเถราประทานหวิลาลิทายกะเถราประทาน 6. มาชะทายกะเถราประทาน 7. เชววหังสกะเถราประทาน 8. สละปุกพเพียเถราประทาน 9. อุปาคตะหาสนิยเถราประทานสิ ตระนิยะเทราประทานและในวักนี้นับคถาได้สี่สิบสองคถายี่สิบแปดสุวรรณพิพโพหณวักหมวดว่าด้วยการถวายหมอนทองเป็นต้นหนึ่ง สุวรรณะพิโพหณิยะเทราประทานประวัติในดิจฉ่าของพระสุวรรณภิโพหณิยะเทระพระสุวรรณะพิโพหณิยะเทระเมื่อจะประกาศ ป, ประวัติในดิจฉ่าของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเลื่อมใสได้ถวายอาสนะผืนหนึ่งและได้ถวายหมอนด้วยมือทั้งสองของตนเพื่อบรรลุประโยชน์สูงสุดในกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้ถวายหมอนไว้จึงไม่รู้จักทุกปติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายหมอนในกลับที่หกสิบสามนับจากกลับนี้ไปได้เป็นกริย์ผู้จั ก, กรพรรดิพระนามว่าอาสมะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหละได้ทราบว่าท่านพระสุวรรณพิโพหณิยะเทระได้พาสิทธิคถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้สุวรรณพิโพหณิยเทราประธานที่หนึ่งจบสองติละมุทิยะเทราประธานประวัติในตดตชาติของพระติละมุทิยะเทระพระติละมุทิยะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิจิตาชของตนจึงกล่าวว่าพระศาสดาผู้ทรงเป็นผู้นำชั้นเลิศของโลกทรงทราบความเชื่ของข้าพเจ้าบรรดาลกายเข้าไปด้วยมโนมยิจฉิข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีไหวพระศาสดาผู้เป็นบุรุษสูงสุดซึ่งเสด็จเข้ามาแล้วได้ถวายงากรรมมือหนึ่งในกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้ถวายทานไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายงากรรมมือหนึ่งเนื้อกับที่สิบหนับจากกับนี้ไปได้เป็นกริย์ผู้จั ก, กรพัรน์พระนามว่าคันธียะสมบูรณ์ด้วยรัตนะเจ็ดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8ปและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้จราบว่าท่านพระติละมุติยะเทระได้พาสิคาถาเหล่านี้ด้วยประกาศน้ติละมุติยะเทระประทานที่สองจบสาจางโกตกิยะเทระประธานประวัติในดิจฉาของพระจังโกตกิยะเทระพระจังโกตกิยะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในติจชาของตนจึงกล่าวว่าพระศาสดาพระนามว่าสิท ธ, ธะประทับอยู่ระหว่างภูเขาใกล้มหาสมุทรข้าพเจ้าได้เข้าไปเฝ้าแล้วทำบุญมีการกราบไหว้เป็นต้นได้ถวายผอบดอกไม้ครั้นข้าพเจ้าถวายผอบดอกไม้แด่พระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าสิท ธ, ธะผู้เป็นพระสยามภูผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงอนุเคราะห์แล้ว จึงบันเทิงอยู่ในสวรรค์ลตลอดหนึ่งกับในกลับที่ก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ถวายพระอบดอกไม้ไวในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายพระอบดอกไม้คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8ปดและอภิน ญ, ญาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทาสาเร็จแล้ว ดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระจังโกตะกิยาเทระได้พาสิกคาถาเหล่านี้ด้วยประกาศราชนิจังโกตะกิยาเทราประธานที่สามจบสอภัพัญชนะทายกะเทราประธานประวัติในดิจา่าของพระอภัพัญนชนะทายกะเทระพระอภัพัญชนะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติ ในเดชชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าโกนทัญญะผู้ปราจากราคะผู้คงที่มีพระหฤทัยไม่หยาบไม่มีธรรมเครื่องเนิ่นช้ามีปกติเพ่งฌานข้าพเจ้าได้ถวายายาหยอดตาแด่พระองค์ผู้ล่วงเลยโมหะทั้งปวงทรงแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกทั้งมวลผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้คงที่ ในกลับที่หาประมาณมิได้นับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ถวายายาหยอดตาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายายาหยอดตาในกลับที่สิบห้านับจากกลับนี้ไปได้เป็นกริย์ผู้จั ก, กรพัชพระนามว่าจิรัปะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปด และอภิญญาหกเขาพระเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระอภพันชนะทายกะเทระได้พาสุคขาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้อภพันชนะทายกะเทราประทานที่สี่จบหเอกันชริยะเทราประทาน ประวัติในดดตชาตของพระเอกัญชริยะเถระพระเอกัญชริยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าเขาพระเจ้าได้ถวายโอกาสที่อยู่แด่พระสมณะผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้ประทับนั่งบนเครื่องลาดใบไม้ทิ่ติกันใกล้ต้นมะเดือ่อเขาพเจ้าประคองอัญเชลีแล้วลาดเครื่องลาดดอกไม้ถวายพระผู้มีร พ, พระภาคพระนามว่าติสสะ ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้เป็นที่พึ่งของโลกผู้คงที่ในกลับที่เก้าสิบสองนับจากกลับนี้ไปพระเจ้าได้ทำเครื่องลาดดอกไม้ไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายเครื่องลาดในกลับที่สิบสี่นับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าเอคาอันชลิกะเป็นใหญ่ในมนุษย์มีพลานุภาพมาก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 ปโทธาทัยกะเทราประทานประวัติในดิจชาติของพระปโทธาทัทยกะเทระพระปโทธาทัทยกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าปรารบพระศาสดาผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระธรรมและพระสงฆ์ได้ถวายภาพเปลือกไม้ไว้ในพระรัตนตรยัยผู้เป็นทักขินายบุคคลผู้เลิศ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 ท่านพระโสดาทายกะเทระได้พาสิกธถาเหล่านี้ด้วยประกาศนิโสดาทายกะเทราประธานที่หกจบเจจิตกะปูชกะเทราประธานประวัติในดิตชาตของพระจิตกะปูชกะเทระพระจิตกะปูชกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าข้าพระเจ้าเที่ยวไปตามกระแสน้ำ ใกล้ฝั่งแม่น้ำจันทภาคาเก็บดอกย่านสายเจ็ดดอกมาบูชาจิ ก, กาทานในกลับที่เก้าสิบสนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้บูชาจิ ก, กาทานไว้จึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาจิ ก, กาทานในกลับที่หกสิบเจ็ดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดมีพระนามว่าปฏิชักคะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการ มีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกษแปและอภิญญาหกเขาพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระจิตตกะปูชกะเทระได้พาศึกษาเหล่านี้ด้วยประการศนี้จิตตกะปูชกะเทราประทานที่เจดจบ อารุ瓦ทายกะเทราประทานประวัติในดิจชาติของพระอารุ瓦ทายกะเทระพระอารุ瓦ทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าในที่ไม่ไกลภูเขาหิมพานมีแม่น้ำสายใหญ่น่าดูณที่ใกล้แม่น้ำนั้นข้าพเจ้าได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากราคะมีพระรัศมีสุกใส่น่าดู ผู้ประกอบในความสงบอย่างยิ่งครั้นเห็นแล้วเขาพระเจ้ามีความประหลาดใจเลื่อมใสจึงได้ถวายหัวมันแก่พระองค์ด้วยมือทั้งสองของตนในขับที่สามสิบเอ็ดนับจากขับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ถวายหัวมันไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายหัวมันคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิจสมพิทาสีวิโมโกข์แปดและอภิญยาหก ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระอาลุวะทายกะเทระได้พาสิกธถาเหล่านี้ด้วยประการาชนี้อาลุวะทายกะเทราประทานที่แปดจบเก้ 9. ปุณธีกะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระปุณธีกะเทระ พระปุณริกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นได้มีพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโรมสะผู้เป็นพระสยามผูมีพระรัศมีสุขใสข้าพเจ้ามีใจผ่องใสได้ถวายดอกบัวขาวแด่พระองค์ในกลับที่94นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายดอกบัวขาวไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายดอกบัวขาวคุณวิเศษเหล่านี้เคลปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปและอภิญยาหกเขาพรเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพรเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระปุณธริกะเทระได้พาสุษถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ปุณธริกะเทราประธานที่เก้าจบ ตรเนยเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระตระเนยะเทระพระตระเนยเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้ามีใจเลื่อมใสได้ร่วมมือช่วยกันสร้างสะพานที่ทางใหญ่ซึ่งไม่ราบเรียบเพื่อต้องการให้ชาวโลกข้ามในกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ร่วมสร้างสะพานไว้ จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการให้ร่วมสร้างสะพานเนื้อกับที่ห้าสิบห้านับจากกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิองค์หนึ่งพระนามว่าสมโมกขะตะสมบูรณ์ด้วยรัตนะเจ็ดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิญยาหกข้าพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระตรณนยเถระได้พาสิษขาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ตรณียเถราประทานที่1ิจบสุวรรณะทิโพหนวัคที่ยี่สิบปดจบบริบูรณ์รวมอปทานที่มีในวัคนี้คือหนึ่งสุวรรณะพิโพหณิยะเถราประธาน สอติละมุติยะเทราประทานสาจังโกตากิยะเทราประทาน 4. อภัณฑชนะทายกะเทราประทาน 5. เอเกัญชริยะเทราประทาน 6. โปุถ ท, ทายกะเทราประทาน 7. จิตตะกระปูชกะเทราประทาน 8. อาุวะทายกะเทราประทาน 9. ปุนทริกะเทราประทาน ตระนียเทราประทานและในวักนี้นักคถาได้สี่สิบสองคถาภาณวาระที่สิบเอ็ดจบ